มันมีเคสอย่างนี้เนาะอ่าสมมติเนี่ยเวลาเราคุยกันเนี่ยเพราะว่าเวลาเราคุยในยบางทีมันคล้ายๆว่าเป็นภาคปริยัติเนาะอย่างสมมติว่าหลวงพ่อบอกว่าเอ้าพวกเรานะเวลาไปปฏิบัติเนี่ยนะต้องหัดแยกเนาะหัดแยกอ่าเรียกว่าหัดแยกรูปหัดแยกนามเพื่อให้เห็นว่ารูปมันก็เป็นเป็นอย่างหนึ่งนามมันก็เป็นอย่างหนึ่งรูปกับนามเนี่ยมันเป็นคนละสิ่งกันพรพอพูดอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ย พวกเราเนี่ยก็จะไปปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อก็จะบอกให้ว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยมันจะเอาตัวเราไปปฏิบัติเอาตัวเราไปปฏิบัติก็คือให้เพื่อให้ตัวเราเนี่ยอแยกรูปแยกนามเป็นไม่ถูกไหมที น, นี้ไอ้ตรงเนี้ยมันก็จริงๆริงอะมันผิดแล้วแหละผิดตรงที่ว่าเอาตัวเราไปปฏิบัติแต่ทีนี้บางคนบอกว่าเอา้าก็หลวงพ่อบอกว่าให้ไปปฏิบัติให้ไปแยกรูปแยกนามนี่ แล้วพอหนูไปปฏิบัติแล้วทำไมยังผิดอีกล่ะอ่าตรงนี้แหละเนี่ยเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มันมันเป็นกันทั้งหมดเลยทีนี้ถ้าหลวงพ่อก็จะบอกว่ามันผิดตรงไหนหลวงพ่อบอกอย่างนี้จริงๆอ่ะในภาคปริยัติเนี่ยท่านบอกแล้วว่ามีแต่สังขารเนาะมีแต่สังขารที่ที่ปรากฏขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะแล้วสังขารเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ตัวตนหลอกเพราะว่ามันมันเป็นแค่สิ่งเกิดสิ่งใดง มันไม่ใช่เป็นตัวตนที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นมันก็มีแต่สังขารเท่านั้นแหละที่เกิดที่ดับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีตัวเราเป็นผู้ปฏิบัติเรออกเพราะฉะนั้นการที่โยมเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยถ้าเอาตัวเราไปปฏิบัติเนี่ยมันผิดแล้วมันผิดอะไรก็ผิดจากภาคปริยัตไงเออทีนี้แล้วถ้าถูกทำยังไงอ่าตรงนี้สาคัญเลยเอาถ้าถูกก็ก็ไปทาอะไรก็ไปทาสิ แต่ให้เข้าใจถูกว่าไอ้ที่ไปทำเน่ยที่ไปนั่งไปดูไปเดินน่ะมันคือสังขารมันไม่ใช่เราอ่าบางคนเนี้ยความแค่เนี้ยแบบปิ้งวับเลยแบบโอ้โหโงหูตาสว่างเลยนะมูกไหลก็มีนะเป็นความเข้าใจที่ยิ่งใหญ่มากเลยว่าโอ้โนี่ถ้าอาจารย์ไม่ชี้นะ<ม>ก็ยังมีเราไปนั่งแยกรูปแยกนามไปนั่งปฏิบัติอยู่นั่นแหละอืมหลายวานันหลายเดือนหลายปีแต่พอฟังอย่างนี้บอกว่าเออ ก็ไปทาเหมือนเดิมอะไรไปนั่งดูไปนั่งรู้แต่ไม่ใช่เราเป็นผู้ปฏิบัติมันเป็นสังขารที่มีพฤติกรรมเช่นนั้นแค่นี้ก็จะเข้าใจเลยว่าโหการเข้าใจถูกเนาะมันคืออย่างนี้คือเห็นถูกต้องว่าไม่มีเราเป็นผู้ไปปฏิบัติแต่การกระทาอะ่ะยังมีการทำเหมือนเดิมเป็นปัญญาก็เรียกว่าเป็นปัญญาที่ยิ่งใหญ่มากเลยทีนี้พอได้ปัญญาตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ย มันจํามันจําสภาวะแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นที่เหลือจากนั้นไปเนี่ยก็ยังเดินยังนั่งยังยกมือสร้างสิบสีจังหวะยังดูลมหายใจเหมือนเดิมแต่รู้อยู่ว่าไอ้ผู้ที่นั่งดูลมก็ไม่ใช่ตัวตนมันเป็นสังขารเนาะไอ้ที่ลมเข้าลมออกอก็เป็นสังขารไอ้ลมยาวลมสั้นก็เป็นสังขารแล้วผู้ที่นั่งดูก็เป็นสังขารแล้วผู้ที่ กำลังคิดกำลังนึกกำลังพิจารณาใครควรไหนทําก็เป็นสังคาญแล้วผู้ที่โยนิโสมนัสิการเอาก็เป็นสังคาญอย่างนี้แหละมันถึงเร็วก็เรียกว่าเร็วเลือร้นทุกได้ในชาตินี้ได้จริงอ่ะอืมแล้วก็หรือมันมีอยู่ตัวเมื่อระหว่างพูดนี่เมื่อกี้หลวงพ่อคิดจะพูดแล้วผหลวงพ่อลืมไปนะเดี๋ยวมีอยู่ตัวพอพอเนี่ยนะพอเห็นอย่างนี้นะเขาเรียกว่าเนี่ยขณะที่เห็นอย่างเนี้ยเนี่ยแยกรูปแยกนามเรียบร้อยแล้วแยกยังไงอ่ะ ก็เห็นว่าไอ้ตัวที่นั่งก็เป็นรูปใช่ไหมความคิดก็เป็นนามแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆก็เป็นนามการการเโยนิโสมันนะสีการมันก็ทําความในใจใช่ไหมเอามันก็เป็นนามแยกรูปแยกนามเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการเห็นนะเห็นด้วยใจเห็นด้วยสติปัญญาก็จะมันเห็นรูปเห็นนามง่ายๆเลยนะเพราะว่าไอ แค่ไอตัวที่จะไปปฏิบัติเนี่ยไอตัวเดินน่ะก็เป็นรูปไปเรียบร้อยแล้วแล้วพอพอนั่งก็เห็นอยู่ว่าเอาไอ้ที่นั่งอยู่เอมันก็เป็นรูปเห็นเรียบร้อยแล้วแล้วพอนั่งสมมติเริ่มมีความคิดเยื่มโดเยื่มโรนิสโยนิสมานาสีการอาก็เห็นอีกว่าโอ้มันใ ค, ครขวนในธรรมมันมีการพิจารย์อย่างแยกแคลยอ๋อไอนี้ก็เป็นนามะธรรมาอ้าวแยกรูปแยกนามคือเป็นอย่างเนี้ยรูปนามก็ไม่ใช่เรารูปก็ไม่ใช่เรานามก็ไม่ใช่เรา โอ้ตกลงมันไม่มีเราเลยแม้แต่ทั้งการรู้การเข้าใจเอา้ามันก็ก็ไม่ใช่เราอีกสุดท้ายเห็นเวละ่ะตรงเนี้ยความเป็นตัวตนไม่มีอยู่จริงมีแต่สังขารเท่านั้นมีแต่สังขารเท่านั้นมันจบแบบเนี้ยง่ายมากกล่าวน้มัสการพระอาจารย์ค่ะเพราะีว่าอิงไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมแบบเหมือนคนอื่นทั่วไปอิงก็จะไม่ค่อยเข้าใจแนวทางของนักปฏิบัติจริงๆแต่ว่าอิงก็มี ฟังธรรมะผ่าน y o u t u ู e บ้างอ่านหนังสือบ้างแล้วก็ใช้ห uh huh. ลักียคะค่ะาาในการฝึกเพื่อดูลมหายใจแล้วก็ดูกายทีเนี้ยอยากจะเรียนสนทนาธรรมกับเหลยงพ่อค่ะว่าสิ่งที่ หรือว่าปรุงสังขารขึ้นมานี่จริงไหมพอดิว่าได้รับหนังสือเล่มหนึ่งมาค่ะเป็นเรื่องของการสุตสติปัจฐานทีนี้ก็ไม่รู้ว่าที่อิปตัวเองเนี่ยมันถูกหรือไม่อยากจะรบกวนศึกษาให้หลวงพ่อตรวจสอบนะคะว่าเรื่องของการดูกายเวทนาจิตไปถึงธรรมในสติปัจฐานเพื่อไปสู่ทางแห่งมรกอันนี้คือซึ่เรียนเรียนนะคะว่ามันถูกหรือไม่ก็คือว่าอิงดูกายโดยผ่านโยคะ จะ เ, เห็นแล้วว่ากายทุกอย่างเป็นยังไงลมหายใจเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากอิงดูกายแล้วอิงก็ดูเวทนาว่าในแต่ในแต่ละท่าที่อิงเข้าท่ายโยคะเนี่ยมันสุขมันทุกหรือว่ามันอดทนอยู่ในลมหายใจนั้นได้แค่ไหนท่าไหนที่สบายหรือท่าไหนที่ไม่สบายทุกอย่างนี้ล้วนมีกายเป็นตัวที่ทําให้อิงเกิดเวทนาเหล่านี้พอโยมรู้สึกถึงว่ามันมีเวทนาทุกสุดเกิดขึ้นนะแต่โยคะมันทําให้อิปรายพยมดูว่า เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเมื่อเราออกจากท่านั้นอโยมก็เลยลงไปถึงคําว่ากายเวทนาจิตจิตก็คือจิตที่มันไปปรุงสังขารเราเองว่าสุขหรือทุกข์มันเกิดจากกายที่มันกระทําและหลังจากนั้นก็ต้องลงไปสู่ฐานธรรมก็คืออ๋อธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เพราะเราเกิดมีกายมีกายจึงเกิดเวทนามีเวทนาก็เลย ไปปรุงจิตให้ฟุ้งมุ่นนี่นั่นแล้วก็สุดท้ายทุกอย่างมันธรรมชาติความทุกข์ใดๆบนโลกใบนี้มันมันเกิดจากการนับหนึ่งคือการเกิดใช่ไหมเจ้าคะขอบพระคุณค่ะดีมากนะที่โยมถามเนาะเพราะว่าหลวงพ่อ ก, ก็จะได้ได้บอกชี้เพื่อคนอื่นจะได้มีปัญญาเห็นตามด้วยนะกายเวทนาจิตธรรมเป็นที่ตั้งเป็นฐานที่ตั้งของสติเนาะซึ่งอาศัยอาศัยเหมือนกับว่าอาศัยสิ่งเหล่านั้นแหละ เป็นที่รับรู้ของของจิตทีนี้ตามที่โยมเล่าเนี่ยก็หมายความว่าโยมก็ปฏิบัติตามลักษณะสติปัฏฐานสี่ก็คือรู้กายเนาะรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมตามที่โยมเล่ามาเนาะโอเคตรงนั้นก็ถือว่าเป็นการถูกนะเป็นการถูกแล้วล่ะที่ทําอย่างนั้นแต่ทีนี้เพื่อจะให้รู้รอบนะรู้รอบเมื่อกี้ที่เล่ามามันก็อย่างน้อยก็คือสิ่งที่รู้ก็คือรู้กายอ่ะรู้ไปแล้วกายเป็นยังไงก็รู้ไปแล้วจิตเป็นยังไง ก็รู้ไปแล้วนะเวทนาเป็นยังไงก็รู้ไปแล้วแล้วก็ธรรมะก็รู้ไปแล้วตามที่รู้ได้เอเนาะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ยังไม่รู้ก็คือตัวเราที่เป็นผู้ดูกายเป็นผู้ดูเวทนาเป็นผู้ดูจิตเป็นผู้ดูธรรมเพราะนั้นเนี่ยให้ย้อนกลับมาที่ตัวเราด้วยว่าไอ้ตัวเราเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็คือสังขารปรุงแต่งเหมือนกันตัวเราทั้งตัวเลยที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนาะเป็นผู้เจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ย ตัวเราทั้งตัวเนี้ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นตัวเราแล้วเนี่ยตรงเนี้ยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องวางให้หมดนะวางให้หมดจนไม่ยึดถือตัวไม่ยึดถือสิ่งนี้แหละแล้วมันก็จะพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นของโยมง่ายมากเลยนะโยมทาเหมือนเดิมนั่นแหละแต่อย่าลืมตัวอย่าลืมตัวผู้พิจารณาอย่าลืมตัวผู้ดูแล้วก็เมื่อนึกได้ขึ้นมารู้ตัวขึ้นมาก็ ปล่อยวางไม่ยึดถือตัวตนตัวเรานี่แหละโอเคไหม เนื่องับกว่าในในในส่วนของการฝึกโยคะเนี่ยเรามีกายแล้วแล้ ว, ลวอิงก่อนที่จะฝึกโยคะเนี่ยอ่านหนังสือเจริญหกแล้วก็ทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นราคาจริตคือผู้หญิงทั่วไปอะค่ะพระอาจารย์ในการออกกาลังกายใดๆก็แล้วแต่เราทุกคนต่างอยากที่จะมีความสวยความแข็งแรงในเรื่องของบอดี้ต่างๆค่ะเหมือนที่หลวงพ่อชี้จริงๆว่าอย่าลืมกายว่าสุดท้ายแล้วต่อให้เราบิ้วร่างกายให้มันฟิตเฟิร์มแค่ไหน มันก็จะสลายหายไปแต่ก็ลืมตัวบ่อยๆอาค่ะชื่นชมในร่างกายที่เราฝึกมาอย่างหนักในแต่ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเข้าฐานธรรมก็เลยเข้ามาฟังธรรมะของหลวงพ่อแล้วก็ก็ได้ได้สนทนาธรรมกับหลวงพ่อถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งเลยค่ะอืมต่ออีกนิดนึงเนาะก็ก็นึกภาพนะนึกภาพในในการการะทําของโยมต่างๆเล่นโยคะก็ดีอะไรก็ดีเนาะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เรามองไม่เห็นในปัจจุบัน ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ตอนนี้คือมีตัวเรามีตัวเรานะมีตัวเราเลยแหละมีตัวเราที่เคยไปทำโยคะมีตัวเราที่เคยนั่งปฏิบัติธรรมแล้วก็พิจารณาสติปัฏฐานสี่นะกายเวทนาจิตธรรมอันนั้นมันเป็นเรื่องที่ของที่เคยที่ผ่านมาแล้วแต่ตอนนี้ที่เรามองอาจจะมองไม่เห็นก็คือตัวเราที่กำลังคุยกับหลวงพ่อ ตัวเราทั้งตัวเนี่ยคือขันห้าเมื่อรู้ตัวเราในปัจจุบันเนี่ยก็เพียงแต่นะเมื่อรู้ตัวเราแล้วเนี่ยก็คือวางนะวางคำว่าวางคือไม่ยึดถือเหตุที่ให้วางเพราะว่าตัวเรามันเป็นตัวทุกตัวเรามันเป็นตัวแก่ตัวเจ็บแล้วก็ตัวที่ตายถ้าไม่รู้ตัวเราแล้วก็ไปยึดว่าอันนี้มันเป็นตัวเราจริงๆก็จะทำให้เราเนี่ย นะก็จะแก่ไปกับตัวเนี้ยนะแล้วก็ทำให้เจ็บป่วยแล้วก็สุดท้ายก็ตายแต่ถ้ารู้ตัวเราแล้วแล้วก็ไม่ยึดอย่างเนี้ยเรียกว่าหลุดพ้นพ้นจากความแก่ความเจ็บและความตายนั้นเป็นธรรมะปัจจุบันที่เห็นตอนนี้เดี๋ยวนี้แล้วก็วางเดี๋ยวนี้สาธุสาธุค่ะหลวงพ่อค่ะเข้าใจไ้ยก็เกียบจะเข้าใจแต่ก็ ก็คิดว่ายังต้องฝึกไปเรื่อยๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตามครั้งสติเรารับทราบได้ว่าสิ่งใดทําถูกหรือสิ่งใดทําผิดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ากิริยาของเรามันยังคงติดอยู่ที่ฐานเดิมก็คือเออ่ยังคงรักสวยรักงามอะไรเหล่าเนี้ยค่ะมันด้วยตามวัยหรือเปล่าคะจนกว่าที่จะสลัดมันออกไปเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่อ่านหนังสือธรรมะเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าโอเคไม่อยากดูแลร่างกายไม่ต้องอะไรแล้วปล่อยไปแต่ว่า อีกฝ่ายหนึ่งของทางโลกก็บอกให้เราก็ดูแลต่อไปให้แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันแข็งแรงขึ้นทีนี้ร่างกายมันมันก็ถูกต่อต้านจากแรงโน้มถ่วงใช่ไหมคะใครใครที่อยู่สายดูแลร่างกายเนี่ยมันก็จะยืดเหมือนอายุรเวทอะคะ่ะยืดกายให้มันดูหนุ่มสาวกว่าอายุอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ใจมันก็ต้านว่าต้องตรงนะแต่ทางโลกมันก็ลั้งให้เราแบบต้องฝึกต่ออย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อค่ะอือดังนั้นเดี๋ยวหลวงพ่อทำไหมนะเนาะเอาเพียงแค่นี้ก่อนเนาะ เอาเพียงแค่ว่ารู้จักตัวเราได้ไหมว่าตัวเราเนี่ยปัจจุบันคือเนี่ยคนคนเนี้ยรู้จักได้ไหมเอ่ยรู้จักเออรู้จักตัวเราเนาะบางทีเรารู้จักตัวคนอื่นเรารู้จักแล้วเนาะทีนี้รู้จักตัวเราเออรารู้จักไหมเอ่ยตอนเนี้ยรู้จักว่าเธอยังคงวนสับสนแล้วก็เลือกไม่เด็ดขาดนะคะหลวงพ่อค่ะเอาเอาแค่รู้จักพอเนาะว่าตัวเราคือไม่ใช่ตัวคนอื่นเนาะเจ้าค่ะอ่านะพอรู้จักตัวเราแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเนาะให้ ให้ข้าอยู่กับปัจจุบันตามที่หลวงพ่อแนะนําเนาะพอรู้จักตัวเราแล้วเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยข้อมูลความรู้เนี่ยก็ทราบอยู่แล้วว่าไอ้ตัวเราทั้งตัวเนี่ยนะทั้งรูปทั้งกายแล้วก็ทั้งจิตใจทั้งความรู้สึกเนี่ยมันก็ต้องแตกสลายคือต้องดับไปเขาเรียกว่าตายเนาะภาษาบ้านๆเนาะตัวเราเนี่ยที่ที่เรารู้จักเนี่ยว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเราทั้งตัวเนี่ยตัวเนี้ยคือเป็นตัวตาย เป็นตัวตายแล้วมันตายจริงๆด้วยหมายความว่าจะรักษาให้มันเป็นเท่าไหร่ให้นานเท่าไหร่ก็รักษาไม่ได้สุดท้ายมันก็ตายเพราะเหตุที่ตายเนี่ยเราก็รู้คนอื่นมาแล้วเนี่ยว่าคนอื่นที่ตายตายเนี่ยแสดงว่าคนเนี้ยเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องตายนะปู่ย่าตาโทษนะซึ่งเราอันนี้นถ้าเกิดมาทันแล้วเราก็เห็นแล้วว่าเออเขาก็ตายไปแล้วหมดทั้งตัวอ่าแล้วก็คนที่ใกล้ชิดอ่าบางทีอาจจะเพิ่งตายไปเราก็จะรับรู้ได้ว่า เออคนเหล่านั้นก็ตายทีนี้พอมาดูที่ตัวเองเอ้าวไอ้ตัวเองไอ้ตัวเราเนี่ยเรียกว่าตัวเราเนี่ยไอ้นี้ก็ตายเหมือนกันนะตายหมดเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ามันจะตายหมดวันไหนแต่มันก็ตาย<ช>เพราะฉะนั้นนะสิ่งเนี้ยมันเป็นของของพ่อจิงใช้เรียกกันว่ามันเป็นของตายทีนี้เมื่อเป็นของตายเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงความทุกข์ทางใจเนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการยึดถือว่า อ่ามีการยึดถือว่าร่างกายเนี้ยจิตใจเนี้ยมันเป็นของเรานะแต่ว่าถ้าฝึกปฏิบัติจนรู้แจ้งว่ามันเป็นของตายแล้วก็ใจไม่ยึดถืออย่างนี้เรียกว่าหลุดพ้นอ่าทีนี้การหลุดพ้นเนี่ยจะต้องพิจารณาร่างกายร่างกายจิตใจนี้บ่อยๆว่ามันเป็นของตายมันเป็นของตายยึดถือไม่ได้จนกระทั่งว่าใจมันยอมรับได้ว่ายึดถือไม่ได้จริงๆนั่นแหละถ้ามันปล่อยวางหมดเมื่อไหร่ก็คือไม่ทุกข์เลย แต่ถ้ามันปล่อยวางได้บางส่วนมันก็จากทุกมากก็เป็นทุกน้อยเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่จะฝึกต่อไปก็คือรู้ตัวให้เป็นตอนนี้รู้เป็นแล้วแหละเพราะ่าคุยเน้นกันแล้วเมื่อรู้ตัวเมื่อรู้ตัวเป็นแล้วก็มาสอนจิตสอนใจว่านี่ยึดไม่ได้ยึดถือไม่ได้ถ้ายึดแล้วเป็นทุกข์ก็เริ่มปล่อยวางปล่อยวางอย่างนี้พอเข้าใจไหมถ้าหลวงพ่อพูดแบบนี้ถ้าหลวงพ่อเข้าใจค่ะเนาะตอนนี้ยังยึดอยู่เนาะ ก็ยังยึดอยู่ในในเรื่องของร่างกายอะค่ะแต่ว่าฐานทิ์ในใจก็พยายามจะฟังธรรมะเอาไว้จนจ <ำ S 1> กว่า <จำ S 1> ถ, ถึงวันที่กายบอกว่าเบื่อกายแล้วก็คือรู้ตัวเองว่ายังไม่ไม่เบื่อกายเท่าที่ควรนะคะหลวงพ่อค่ะ แลีวต้องฝึกด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่ฝึกเนี่ยมันตายอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวมันจะทุกข์มากแล้วก็จะกลัวตายจะทุกข์ทรมานแสนสาหาัสไม่อยากตายไม่อยากตายช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยตรงเนี้ย โ, โหเป็นทุกข์อย่างแสนสาแต่ถ้าฝึกไปแล้วก็เออตายก็ไม่เป็นไรมันเป็นร่างกายเนาะมันก็ตายตามเสื่อมสภาพของมันนะใครก็ยังไม่อยู่จิตใจความรู้สึกนึกคิดเออมันก็เกิดดับของมันใครก็ยังไม่อยู่สุดท้ายก็ต้องยอมนั้นเกิดมาชาตินี้เนี่ย สิ่งที่ต้องต้องฝึกให้มากก็คือเรื่องการรู้ปล่อยวางแบบนี้ทายมเนาะเราจะทําบุญทําทานมามากแค่ไหนถ้าไม่มาฝึกกรรมฐานแบบเนี้ยมันยังไงมันก็ยังตายอยู่ดีแล้วก็ถ้าไม่ยึดมันก็เป็นทุกข์แต่ถ้าปล่อยวางไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฝึกกรรมฐานก็ตรงเนี้สําคัญเลยทําไมต้องฝึกสติที่โยมเล่ามาก็ฝึกเพื่อให้รู้กายรู้ใจแล้วสุดท้ายคือเมื่อรู้แล้วก็ไม่ยึดถือเห็นไหม บางทีถ้าเราไม่รู้เป้าหมายว่าเราฝึกสติฝึกรู้กายเวทนาจิตทำฝึกเพื่ออะไรอย่างนี้เราไม่ชัดเจนแต่ถ้ารู้ว่าอ๋อฝึกเพื่ออะไรเพื่อไม่ลืมตัวเพื่อให้รู้กายรู้ใจเมื่อรู้แล้วก็ต้องปล่อยวางมันปล่อยวางมันเพราะเหตุว่ามันยึดถือไม่ได้นั่นเป้าหมายสูงสุดเนอะรู้แล้วปล่อยเนอะจา่ะะาทูค่ะหลวงพ่อกลับมานาสการค่ะ จริงๆตอนนี้คุณเองแยกเป็นสองส่วนอยู่แล้วรู้แต่ว่าเออภายนอกกายนะคะก็ดูแลมันโดการออกกําลังกายและนโยคะภา ย, ายในจิตใจก็มีการฝึกนะคะซึ่งฝึกตรงนี้มันเป็นการฝึกทีให้เรามีจิตบริสุทธิ น, น, น, น, นะจริงๆเราทุกคนก็มีจิตบริสุทธิ์อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าลงลืมความจริงแท้ตรงนี้ของตัวเองไป นะคะถ้าสับมามีสติรู้กายรู้ใจเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะทุกคนก็จะได้รับสิทธนั้นกลับมาคืนมาแล้วแต่ว่าสิ่งที่จะต้องระวังในทางจิตใจเนี่ยก็คืออย่าเป็นคนที่คิดอะไรมากอย่คิดเยอะคิดไหลไปเรื่อยโดยไร้เป้าหมายค่ะแม้แต่วความคิดเนี่ยก็ให้มีสติให้รู้คิดใช้ความคิดในส่วนที่เป็นประโยชน์แล้วก็อย่าฟุ้งร้างเลื่อนลอยโดยที่แบบ บางเรื่องไม่ต้องคิดเลยแคได้ให้ปล่อยวางไปเลยก็ได้แต่ว่าต้องมีสติปัญญาในการบริหารความคิดตัวเองเพื่อเอให้ชีวิตเราเนี่ยไม่ตกเป็นทาสของความคิดตลอดจนตกเป็นทาสทางอารมณ์หรือจิตใจเนี่ยในส่วนข้อระวังทางกายค่ะก็ให้ใช้ทุกส่วนของร่างกายให้เป็นประโยชน์ให้ใช้ในทางสว่างนะคะอะไรดีๆก็ทําไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเล็กใหญ่เน้นใช้อวัยวะทุกส่วนร่างกายคิดดีพูดดีไม่ใช้ในทางที่แบบ ผิดศ yeah, the yeah. yeah. yeah. mm ีลธรรมก็ท hmm. right. okay. mm ําให้ใ so ช okay. yeah. yeah. mm ้ช hmm. so, like mm ีวิตให้แบบเบิกบานอิสระมีชีวิตชีวาไม่จําเป็นต้องทุกข์กับอะไรเลยคนเข้าใจโลกเนี่ยจะไม่ต้องทุกข์คนมีปัญญาก็จะไม่ทุกข์เช่นกันเขาใช้ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเนี่ยให้มีความรักเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตด้วยกันก็ส่งเสริมให้ตนเองมีทางชีวิตตื่นรู้เสมออ๋อสวัสดีครับอาจารย์ครับเพิมี์วิภูมิก็จะเคยร์เลยผมก็ชอบฟังธรรมะเยอะนะครับมา่ก่อนนะครับโดยชอบฟัง ผมว่มาเมื่อก่อนถ้าเราไม่รู้ตัวครับความคิดมันจะใช้เราใชครับแต่พอเรารู้มั น, นเราก็เลือกใช้มันได้อันนี้ก็กเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรครับประโยชน์แบบว่านี้เบื้องต้นนะครับนะแต่ประโยชน์ถึงที่สุดของมันก็คือคนทุกเงี้ยครับแต่แต่ที่พี่นุ้ยพูดมาก็ก็ถึงที่สุดก็คือว่าได้ได้เข้าใจนะครับสำหรเราผมนะครับผมเห็นพี่พี่พิงนี่เจียกก็ก็เหมือนเหมือนผมแรกๆนะครับฟังทำเยอะ ฟังเยอะคิดเยอะฮยิ่งฟังเยอะมันก็คิดทั้งสองฝั่งเลยครับพี่ทางโลกก็คิดทางธรรมก็คิดคิดมากกว่าคนปกติครับคนนี้ก็ไม่เหลือมันจะไปไปจับต้นชนปลายที่ไหนแดีวพอมาเจอห้าอาจารย์เนี่ยครับก็เห็นนี่ว่าบางอย่างมันไม่ไม่ไม่ต้องคิดนะแต่ว่ามันก็จะคลี่คายของมันเองครับมันก็นอกผมเมื่อก่อนก็เข้าใจว่าเออถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วอ่ะ เราก็คงไม่เอาอะไรไม่ต้องการอะไรแต่ว่าถ้าถึงจุดจุ ด, จ, ดจุดหนึ่งแล้วมันก็จะเลือกเอามาใช้เองเนี่ยครับยังนี้เข้าผมเข้าใจถูกไหมครับพี่ผมก็คิดว่ามันอย่างกา ย, ยครับเนาะเมื่อก่คิดว่าเออเราไม่ต้องดูแลมันมันเป็นของมันอะไรนะแต่พอจริงๆแล้วอ๋อเราก็ต้องดูมันดูแลมันอยู่ แต่ว่าก็ก็ดูดูดูแล้วก็ปล่อยวางไปอย่างเงี้ยครับที่จริงแล้วผาจันบอกว่าบางทีมันก็รู้นะมังแต่มันก็ช่วยเราไม่ได้เลยครับแล้วก็มีหน้าที่รู้วันไปเลยครับทั้ามันไหลถ้ามันมีกำลังเราก็จะเห็นเองไงครับประมาณนี้ก็ถูกต้องไหมครับพี่ก็ประมาณนั้นแหละค่ะถูกนะคะที่จริงเอามีชีิตบนโลกเนี่ยค่ะเราก็ใช้ชีวิตไปค่ะ นะคะเราก็รู้ค่ะบางอย่างมันอาจมันจะมีถูกใจไใม่ถูกใจบางอย่างมีสุขบางอย่างมีทุกทุกอย่างค่ะอันนี้คือเรื่องของของคู่เมื่อก่อนมีเคยบอกอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วของคู่เนี่ยพอเข้าใจตรงนี้เราก็มองของคู่เป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> เคยบอกว่าอันเนี้ยเมื่อก่อนเคยคิดว่าอันเนี้ยถูกอันนี้ผิดอยู่ในเคยตั้งคําถามกับหลายท่านค่ะว่าแล้วอะไรคือถูกแล้วอะไรคือผิด เพราะว่าถูกของคนหนึ่งอาจจะไม่ถูกของอีกคนหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นถูกตรงนี้คืออะไนใครเป็นคนกําหนดเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะบนโลกเนี้ยไม่ว่าของคู่ทุกอย่างเนี่ยค่ะมันก็คือมันคือสิ่งที่เราบัญญัติขึ้นมามันคนกําหนดขึ้นมาเองเทีงแต่เราเราเลือกนะคะอะไรที่มันรู้สึกดีกับเราเราก็คิดว่าอันนี้มันดีอะไรที่มันรู้สึกไม่ดีเราก็บอกว่ามันนีมันไม่ดีเนี่ยเราไปแบ่งแยกมันเอง ก็เหมือนธรรมะอะค่ะหนูนี้ถามว่าคนเราเกิดมาถ้าพูดถึงคนป่ายังไม่มีภาษายังไม่มีการสื่อสารยังไม่รู้จักเลยค่ะว่าคำว่าธรรมะคืออะไรเราอาจจะเรียกธรรมะในประเทศไทยว่าธรรมะภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าดัมมะก็ได้ไม่ว่าจะดัมมะหรือธรรมะหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะ มนุษย์เราเนี่ยค่เป็นคนกําหนดมันขึ้นมาบัญญัติภาษามาขึ้นมาให้เราเพื่อการสื่อสารเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ทำบนโลกเนี่ยค่ะเมื่อเรารู้ถึงตรงนี้เนี่ยนะคะเราเข้าใจเหมือนว่าอ๋อมันก็คือเป็นบัญญตัติเป็นสิ่งที่มนุษย์เรากําหนดขึ้นมาสร้างมันขึ้นมานะคะแล้วก็มารู้ความจริงตรงเนี้ยเราก็จะเข้าใจมันไปเรื่อยๆก็เหมือนกับเราทุกวันเนี้ยเราตั้งแต่เด็กเราเกิดมาเนี่ย นะฮะเราสั่งสมประสบการณ์ชีวิตเราสั่งสมความรู้ความสามารถทุกอย่างมนาะที่ตัวเราหมดเลยแเราเก็บมันมาหมดเลยนะคไม่ว่าความรู้ทางไหนก็ตามเก็บมาหมดเลยเชี่ยวชาญไหลไือเกินจนวันหนึ่งค่ะวันเนี้ยพอเราเข้าใจว่าเอ้ยที่เราเรียนเรียนมาเนี่ยบางคนเนี่ยมาเรียนรู้เรียนจนจบด็อกเตอร์จนแบบได้ปริญญาดีสามสี่ใบวันที่ตัวเอง เข้าใจว่าตัวเองที่เรียนมาทั้งหมดมันใช้ไม่ได้คือวันที่ตัวเองจะตายเนี่ย่ะวันที่ตัวเองจะตายอีกความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดแม้กระทั่งการปฏิบัติธรรมที่ทํามาทั้งหมดศึกษาปริยัตมาทั้งหมดอภิธรรมมาทั้งหมดมันไม่สามารถเอามาใช้ได้จริงในขณะที่ใกล้ตายค่ะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ค่ะเรายังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่เนีะคะต้องขอบคุณทั้งอากาศ นะสรรพสิ่งทุกอย่างที่เราให้ให้เราดํารงชีวิตอยู่เพื่อเนี่ยใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยค่ะให้มันมีประโยชน์มีคุณค่ามากที่สุดจริงๆแล้วมนุษย์เราเกิดมาทุกชีวิตเนี่ยค่ะทุกสรรพสิ่งก็เหมือนกันหมดนะคะเรามีหน้าที่อยู่สองอย่างหน้าที่แรกคึงเมื่อที่เราเกิดมาก็ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์หน้าที่ที่สองที่สําคัญมากๆที่ทุกคนต้องทําคือต้องตายใช่นั้นเองเมื่อเราเข้าใจตรงเนี้ย เราจะรู้สึกว่าอ๋อชีวิตเรามีคุณค่ามากเลยเพราะเราเกิดมาแล้วคือทำหน้าที่เป็นประโยชน์ไม่ได้ต้องการมาชิงดีชิงเด่นกับใครไม่ได้ต้องการมาขัดผลประโยชน์ไม่ต้องการเกิดมาเพื่อต้องการรวยไม่ต้องการเจิดขึ้นมาเพื่อที่จะท้อแท้หรือว่าจนหรือสิ้นหวังแต่เราเกิดมาเนี่ยเพื่อทําสิ่งดีๆให้กับโลกแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือตายไปมีแค่สองหน้าที่เท่านี้ค่ะง่ายมากๆแต่มนุษย์เรานี่ค่ะไม่ได้เคหันคิด ต้นหลงเนี่ยค่ะหลงไปตามความคิดทั้งตนเองความคิดของผู้อื่นที่ยักยียดมาให้กับโลกนี้เต็มไปหมดเลยเนี่ยพอเข้าใจอันนี้ง่ายๆก็เราก็กลับมาคืนชีวิตให้กับเราเองใหม่เมื่อเรารู้ความจริงแนละ้วอ๋อมันเป็นแบบนี้เราก็จะอิสระต่อทุกที่ค่ะอิสระต่อทุกความคิดอิสระแม้กระทั่งความคิดตัวเองไม่ได้แบบเป็นพันธนาการกับสิ่งใด แต่ไม่ใช่ว่าโอ๊ยฉันบ้าไปแล้วฉันไม่ยึติดฉันเ ไ, ไม่ใช่นะคะเราก็ยังมีความเจ็บมีความเสียใจมีความดีใจเหมือนปกติเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์ค่ะมันเป็นความรู้สึกเรายังมีผัสสะมีความรักน ะ, ะมีความเกลียดเหมือนเดิมน ะ, ะไม่ใช่บอกว่าโอ้บางคนเข้าใจตรงจุดนี้คุณไม่ต้องไม่ต้องโกรธสิคุณยังโกรธอยู่เลยหรืออะไรไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวอะไรค่ะนะคะ สิ่งที่สําคัญคือเห็นตัวเองเมื่อเข้าใจตรงเนี้มันจะเห็นตัวเองณปัจจุบันค่ะเราจะรู้เลยว่าความโกรกก็คือแค่สังขารอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกเราก็แค่มองมันไม่เข้าใจมันแค่นั้นเองเราจะทําอะไรได้เหมือนเดิมคะเราจะไปตีแบบเล่นโยคะปั่นจกยานปีนเขาเอเวอเรสต์ทำได้หมดนะคะชีวิตมนุษย์เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือจิตใจเราที่มีความอิสระ ต่อตอนเองไม่ต้องต่อใครเลยค่ะต่อตอนเองก่อนเลยเราจะตื่นรู้ทุกวันไอ้สิ่งตรงเนี้มันจะสอนเราทุกวันและธรรมะตรงเนี้มันสดใหม่ทุกวันค่ะทุกขณะไม่ว่าเราทําอะไรในชีวิตประจาวันมันสอนไราได้หมดเลยค่ะคุณอาค่ะโอขอบคุณครับคุณมือมืออธิบายเคลียร์เลยครับว่าผมว่าความจริงนะครับเมื่อก่อนนะคนในความคิดก่อนก่อนที่จะมามามาได้พูดคุยกันในขับเทาเลยค่ะเราคิดว่ายุคเมื่อก่อนเหมาะสําหรับการปฏิบัติธรรมแล้วหรื อ, อไร ความจริงพอมาเข้าใจแล้วมันทุกที่นะครับพี่มันเป็นการปฏิบัติธรรมเมื่อก่อนฟังท่านผูท้ทานไม่เคยเข้าใจนะจังมาฟังอาจารย์ออดบอกว่าความจริงพระ อ, อริยะเนี่ยท่านท่านเข้าใจโลกแต่ไอเราเนี่แหละไม่เข้าใจเราเลยไปแบบว่าเม่อท่านพูดอะไรนี่นะครับมเราอยู่เราอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมการทํางานก็คือการปฏิบัติธรรมยิง่งนนี้พูดมายิ่งตัวตัวผมเองนะครับชีวิตเมื่อก่อนตอนเรียนหนังสือแบบว่า คือการเรียนมันทําให้เราแบบทุกอย่างมันต้องอิมพอร์ตโอนทุกอย่างต้องควบคุมได้ทําให้เราแบบยิ่งทํางานเกี่ยวกับการวางแผนเลยครับ ย, ยิ่งเหมือนว่าทําแล้วก็ต้องคิดว่ามันจะออกมาเป็นอย่างนั้นอย่างงน้นไหมแต่พอเข้าใจแล้วก็ทําไปครับผลมันจะเป็นในไหแต่เราก็จะทำคือหมทําให้มันดีที่สุดครับแต่ผลมันก็เป็นเรื่องของผลมันจะไม่สําเร็จมันก็เป็นเรื่องของผลแต่ผลที่ได้ก็คือปัจจุบันเนี่ย เมื่อก่อนไม่ไม่เคยเข้าใจอะไรหลายอย่างพรามันจมอยู่กับความคิดได้เยอะยิ่งมีความคิดซ้อนความคิดโอ้คันนี้ก็ยิ่งแย่ละเจอสภาวะมากระทบยิ่งเราอยู่กับพูดตรงๆว่าเราก็หนีหนีพวกเ facebook ไม่ได้หนีสื่ออะไรต่างๆไม่ได้เรายิ่งเมื่อก่อนยิ่งยิ่งห้าเกิดไปในทางความสงบเลยครับยิ่งเรามันเจอแล้วมันยิ่งต่อต้านก็ยิ่งมีปติกอิริยาที่แบบว่า คิดสอนคิดแต่พ อ, อนี้เราเจอแล้วเห็นแล้วกระทบแล้วก็ก็ก็ก็ดูมันไงครับมันโกรธแล้วเลยแต่ก็แต่ก็นี้แรกเปลี่นนะพี่ว่าเ อ, อสิ่งสิ่งหนึ่งผมว่าที่มันเป็นความสําคัญก่อนที่เราจะเป็นผู้ดูผมว่าความอดทนก็สําคัญนะอ๋อมันก็ดับไปอะไรเงี้ยครับขณะดูขณะนี้บางทีก็ไม่ทันนะครับผมก็ยังหลดไหลก็เข้าไปเหมือนกันเลยก็่ยังดีครับที่เห็น<า>ขอบคุณมาครับท<า>ี่ารับประทานค่ะ